ฟังธรรมะทุกท่านทุกคนเคยลาดับรับฟังกันมาการฟังธรรมะก็คือการปฏิบัติจิตใจของตัวระยะเวลาที่ฟังธรรมะนาจีการงานด้านอื่นไม่มีจิตธุระส่วนอื่นแล้วก็ทอดทิ้งไม่ได้เกี่ยวข้องกายไม่ได้ทำายจามไม่ได้พูดจิตค ห้ามกั้นเอาไว้ไม่ให้ไปน้มคิดถึงสิ่งอื่นนอกจากธรรมะฟังไปทมไปเพื่อขับไล่สัญญาอารมณ์จิเลียจันหาาภายในให้จิตใจสงบให้จิตใจเยือกเย็นนี่คือการฟังธรรมะเพื่อความสุขความสงบความสบายภายในไม่ใช่เราฟังเพียงอนิสงส์ รือหวังบุญหวังกุศลจากการฟังเท่านั้นฟังเพื่อปฏิบัติจิตใจของเราท่านที่มันมืดบอดให้สว่างสวัยให้ข้อยใจในธรรม ะ, ะฟังเพียงเป็นทตทีในที่ผีที่ฉันต่างหน้าต่างตากำหนดรักษาจิตใจของกราเก็มมันเป็นกุศเกิดประโยชน์ให้แตนั้นการฟังธรรมะสมัยพุทการ พวที่มาฟังหลายท่านหลายคนเดียกันทั้งสิกุสามมะเนมสารวั ท, ทรหาายาดโยม <c oughs> มาฟังแตแล้วแต่ปัญญาข้องใรพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมออกไปส่วนเหล่านั้นก็สะดับรับฟังผล ค, คิดติดตามเรื่องต่างๆที่ท่านแสดงออกไปบางท่านบางคนทีน่นี้ปัญญาสามารถขับไล่ อย่างที่เหลือตัณหาออกไปเป็นพระโคดจาสถิพาลาหรือเป็นอรหันต์ในขณะที่ตั้งธรรมะอยู่นั้นบางท่านบางคนก็ไม่ได้อะไรมีไมายถึงความตั้งใจการกระดับเล่าฟังท่างท่างที่ออกจากเจ้าโอดของพระ อ, องค์ไมได้ออกจากที่อื่นคนตั้งกตมีหู ม, มีใจที่จะใส่จิตติดตามเรื่องธรรมะด้วยกันแต่ การขัดไล่กิเลสภายในนั้นไม่เหมือนกันบางสั่นบางคนก็ได้ผลได้ประโยชน์มากบางสั่นบางคนก็ได้น้อยแต่ถึงอย่างไรก็ดีการตั้งธรรมะไม่ได้เสียรรในเกิดโทษเพราธรรมะที่พระพุ้ธเจ้าแสดงออกไปหรืออ่านธรรมะตามตำรับตำราก็ดีธรรมะนั้น ในทักษะในคนหลุมหลงในทักษะในคนงัวเมาเรื่องธรรมะเป็นเรื่องกัจัตติเต่าเรื่องกิเลสในใจในใจในสะสมมีพวกเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาบางสันบางคนก่อนนับดูนัอาจารย์ใ น, นดาศิจิตใจก็ยังหุนวายแต่ควรตรวจทุก พอเราเนา่ธรรมะที่ท่านสอนนั้นมาสาธิตปฏิบัติภายในให้ใสาใจในธรรมะเชื่องจตจดจําตามสำหรับตำราตามลมปากของครูบาอาจารย์ที่เนี้ยสอนมีแต่สัญญาที่จามาเท่านั้นแต่การเป็นในจิตในใจปฏิบัติเโิดสัญญาสามารถจริงจังไม่มี กิเลสจึงไม่กลัวความจําถึงจะจาได้มากขนาดไหนกิเลสจึงไม่กลัวถ้าพุทธปฏิบัติขวดปัญญาขึ้นภายในกิเลสกลัวมากเพราะปัญญาเป็นสิ่งีิตัดกระแสของกิเลสปัญหาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการตั้งวรระวังจิตทางปริยัตแผ่นบาปัญญาเกิด ขึ้นจากสมาธิเมื่อสมาธิดีอพรมสมาธิได้ปัญญาเกิดขึ้นมีปัญญาทางศาสนาสอนอย่างนั้นช่วเห็นในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเองไม่ใช่ <c oughs> จำมาจากที่อื่นแต่ปัญญามันก็มีหลายขั้น สุดตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ประดับรับฟังการศึกษาเราเรียนกินตามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฝนคิดจิดนพิกเรน า, าสุดตามายปัญญาภาวนามา ย, ยาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมภาวนาปัญญาทั้งสองขั้นคือสุดตรามยปัญญา กินตามายาปัญญานั้นเป็นปัญญาของโลกสามารถที่จะทําอะไรถูกแต่งดีงามในสปล่อยฝากิดแต่ภาวนามยาปัญญาเป็นปัญญาทางธรรมสามารถที่จะแก้ไขจิตใจที่ิดของจิตให้หมดออกไปให้สิ้นออกไปให้หายสงสัยพูดง่ายๆแต่ให้หมดจากกิเลสได้ แต่พวกเราทุกคนก็เคยได้ยินได้ฟังเคยได้อ่านสําหรับตําราเวยคิดเคยคจุ่มสิ่งต่างๆนานาการภาวนาก็เคยแต่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นต่อตังหานกิเลนนั้นยังไม่มีหรือ ม, มีก็ยังไม่เพียงพอกิเลนจึงมีการรบกวนให้จิตใจปุ่งฟุงติดแข็งเต่ามองอยู่เรื่อย ดังนั้นเราจึงควรอบรมปัญญาให้แก่ก้าสามากตัดกิเลสขาดออกไปจากใจของเราภาวานาะมายปัญญานั้นหมายถึงเรา่ิีพิจารณาด้วยจิตเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงพิจารณาอะไรพิจารณาไปพิจารณาไปปัญญานั้นจะเกิดขึ้นพุดขึ้นบอกขึ้นในจิต ใ, ในใจ ว่าอันนั้นจิตอันนี้ถูกแผ่ใจชัดเจนเห็นไปจับในจิตในใจเมื่อมันรู้เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างจิตพิจารณาไปนั้นมันก็หายสงสัยในจิตในใจถึงสิ่ง น, นั้นจะมีอยู่ทั่วโลกแต่ก็ใน่ค่องจิตยึดถือเหมือนแต่เก่าก่อนพอปัญญาของเราอย่างรู้ใส่ใจเห็นชัดในสิ่งหนึ่งนั้น ปรมุดมันเป็นอย่างนั้นยมุติมันเป็นอย่างนี้่านติมุติดขันตละมัตมันทราบจากการภาวนาการอบรมปัญญาทางภาวนาจึงเป็นเรื่องละขอนเรืเ่องกิเลสปัญหาที่มีอยู่ในจิตในใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝึกจะอบรมจิตใจของตนได้า่ากเราตั้งใจเห็นว่า เป็นของจําเป็นจริงจังไม่ทำก็จะไม่เกิดประโยชน์เกิดมาไม่ทำภาวานาเลยมันเกิดแฉกต่อตายเหมือนกันผู้ทำภาวานาถึงแก่ถึงตายจิตใจของท่านไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการเสียดายชีวิตในถือว่าเกิดมาเป็นโมฆะฉันมีความ ปลูกมีความสบายในจิตในใจของท่านกายมันจะแสกสลายไปเหม้วนตั น, นแต่ชั่อไหจิตใจของท่านไม่หวั่นไหวในลุ่มหลงนี่คืออานิสงส์เกิดจากการภาวนาปูกตัดทำบําเพ็ญจะเห็นจะเป็นในตัวของตัวเองโดยไม่เชื่อคนอื่นพอเห็นพอเป็นจากการภาวนาจากสติจากปัญญาของตัวปัญญานี้ หากเราอบรมให้เขาถึงขี่จริงจังแล้วมันจะสามารถสังหารกิเลสให้ขาดออกไปในว่ากิเลสประเภทไหนที่เกิดมาปัญญาจะต้องตามที่เจรณาในกิเลสดัง น, นั้นัวแแกไขให้กิเลสดัง น, นั้นหายไปจากใจกิเลสก็คือความเต่าหมองของใจ การหาก็ ค, คือความอยากของใจราคาก็คือคัอวาําำลังยินดีในสิ่งต่างๆแต่ท่านพูดเป็นศัพท์ภาษาธรรมะศัพท์ของธรรมะออกมาจากบาลีออกมาจาก <c oughs> ภาษาอื่นดังนั้นเราฟังตามสําหรับตาราหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษาด้านปริยัติเราไม่เคยในเรื่องปริยัติเพราะท่านยก บาลีขึ้นเราจึงตั้งในเคยออกผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นในสาวแบบเป็นบาลีหรืออะไรต้องพิจาราในตายในใจของตัวออรวยใจก็ตายใจเป็นที่ตั้งของมรรคของผลตายใจเป็นที่ตั้งของราชาโทสะโมหะในใจที่อื่นเป็นที่ตั้งท่านจึงจับมาที่นี้พิจารณาอันนี้ มีความอยากใหญ่ไสสูงไม่มีขอบมีเขตถึงมีอยู่มีกิน <c oughs> เพียงแอ่แบริบูรณ์แล้วแต่ความอยากมันกดทวีคูณึุนทรภพทมสุนถึงความอยากมันมีหมากเถื่อไรมันจะให้ทุกข์ให้โทษแต่ตัวของตัวเพราะความอยากมันเป็นพิดเหมือ น, นกัตบไฟความอยากมันไหม้มันเผามันร้าง คนที่มีความอยากอยู่ในใจถึงจะมั่งมีเสาของเงินทองขนาดไหนจึงไม่มีความสุขให้เพราะความอยากมันเป็นใครแก้ความสงบความอยากเป็นเกี่ยวห น, นามสําหรับผินแทงจิตใจให้เจ็บปวดปวดร้อนการที่เจริญาธรรมะเพื่แก่้ไขความอยากนั้นก็แล้วแต่สติปัญญาของใจ จะนำมาที่นี่พี่เจนะถ้าหากมันเกิดขึ้นกับจิตกับใจจริงจังแล้วมันทาบมันตัดขาดเรื่องความอยากทั้งๆจิตของนั้นมีอยู่แต่เราอยู่เนื้อของของอะไรมาครับผมจิตใจของเราโอกาสที่เราจะ ใ, จใช้แล้วก็ใช้ไปตามสะดวกสบายแต่ที่ว่าของนั้นเป็นของภายนอกัน ไ, ได้ยึดได้ถือว่า เป็นของของเราจริงๆจังๆจ น, นเกิดความเสียใจร้อนใจการที่พิจารณาอย่างนี้แต่พิจารณาถึงว่าคนเกดมาไม่ว่าผูวหญิงผูวชายใน่มีใค ร, 5, รนํำสินของมาได้จะเป็นผ่าหนึ่งทางผมเป็นเงินเป็นทองไม่เคยมีใคร หิวหาหามาจากท้องทองมันดาน่ามาด้วยตัวเปล่าเมื่อมาแล้วก็แสวงหาตามนาที่เพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยอาหารเป็นอยู่ด้วยปัจจัยทั้งสี่เป็นสี่พักสี่อาศัยจะเป็นนักบวชกว่อตามเป็นฆราวากต่อตามปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นเรื่องสําคัญ ท, ทุกท่านจำเป็นจะต้องสแสวงหาปัจจัยทั้งสี่เป็นภาษาของวัดท่านที่ตาว่ากับจีวรจีวรหมายถึงผ้าจะเป็นผ้านุ่งผ้าห่มผ้าเท้าผ้าเชียวผ้าแดงผ้าเหลืองอะไรเร ก, กี่ยวกับจีวรทั้งนั้นจำเป็นที่คมเกิดมาจะต้องอาศัยหนาวมาก็จะต้องนุ่งหม่มร้อนมาก็จะต้องปกปิดต่าง้ายก็ กันแดดกันเหยียบกันยุงต่างๆกันความละอายมนุษย์หัวใจเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจากชั้นวันหน้าไหนแล้วแต่เกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาจีวรคือผ้ามาหนึ่งมาหม่มตอนเต้นที่เรายังเป็นเด็กแสวงหาไม่ได้ก็อาศัยปูหลักปูใหญ่หามาให้ ใหญ่มากแล้วก็แสวงหาเองนี่เป็นเยื่องจำเป็นข้อหนึ่งจึงเรียกว่าตัใจเเสื่องอาศัยของมนุษย์ดินพระบาทขแฟที่สองกฎหมายึงอาหารหมายว่าชาวบ้านนักบวชร่างกายอันนี้จะต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าสาดอาหารนานเข้ามันก็ตายเพราะมมีกำลังเหลียวแรงที่จะ จะแสวงหาทรัพย์สมบัติอะไรได้อาหารจึเป็นเรื่องสําคัญที่สัตว์จะอยู่ได้แต่อาศัยอาหารกายอันนี้โตกเตยมาได้แต่เพราะอาหารฉะนั้นอาหารจึงจะแต่งสแสวงหาถ้าไม่ได้ไปทําการทํางานทาไร่ทำานาฆ่าข า, ายก็ไปบินทบาทก็คือหาอาหารมเลี้ยงร่างกายนี้เองสวนหยาดเยิ้มจะแสวงหาการหาจีคล่งองเป็นมีวิชาสมรู้ อาเนียงไห น, ไหนก็ทําไปเพื่อจะได้อาหารถึงเราหาเงินหาทองกอเอามาซื้ออาหารยัรงป่าเลี้ยงท้องของตัวอาหารจําเป็นข้อหนึ่งจึงเรียกว่าปัจจัยส่วนอาศัยของปู่เกิดมาจึงมีชีวิตเป็นอยู่เนสนาชนะหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นคุณดีวิหารารงาร้านหรือสึกบ้านต่างๆเกียกเจนาชนะ นี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่มนุษย์เกิดมาจะต้องหาต่างที่อยู่ที่อาศัยยาสำหรับแก่โรคไข้ไข้เจ็บจะเป็นอีกประเภทหนึ่งนี่คือปัจจัยสี่ปัจจัยทั้งสี่นี้เมืาอนักบวชราะวา่าจะต้องจำเป็นเดียกันทั้งนั้นแต่นักบวชนั้นมีพระวินัยที่ต้องรักษาหมาฝาเศษของคารวา่าชาสแวงห า, า, าใน ถูกต้องตามพวนัยปกตโทษทางศัพ์อาบัติทางศาสนามีพวนัยของพระของเนรนประจำตัวอยู่ <c oughs> แต่นั้นปัดใจทั้งสีน่นี้เราจะแต่งแวงหาแต่ปัดใจทั้งสี่นีจ้จะแวงหามาได้มากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะลบล้างอาริยสัจ คือทำสองสมภพได้เจ้าได้เหนือมีเริมหายใจเป็นอยู่ก็ต้องหามาบำบวงรักษาแก่เท่าว่าปัจจัยอันนี้ดีมากก็ห้ามความแก่ไม่ได้ห่างความตายไม่ได้ถึงการถึงเวลาเราก็จะต้องแก่ต้องตายไปตามธรรมดาถึงจะหงหัวขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะรักษาไว้ดัคือเราไม่ ตายจากมันมันก็จะหายจากเราหน้าที่ของมันเป็นอยู่อย่างนี้เราเลิลกขนาดไหนย่าได้ขนาดไหนแสวงหามาได้มากขนาดไหนเมื่อเวลาเราตายไปล้าเอาไปได้ไหมในเห็นใครในโลกที่เขาอออหอบหิวหักหามสมบัติออกไปจากโลกสมบัติของโลกเป็นสมบัติของโลกอยู่อย่างนั้นเรา่ี่ล่มลงติดข้อง ไปที่ไหนไม่ได้ห่วงสิ่งห่วงของเรื่อมันจะมีบาดจิตหาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถ้านานเยี่ยวขันจะถึงจะห่วงขนาดไหนหาตารวจทหารมารักษาหาคนยามมาเฝ้ามันกะเอาไปไม่ได้เวลาตายก็ไปแต่ตัวเก่าหลางตายขงเรเข้าจะไปเผาไปฝังตามหน้าที่ถึงเขาไม่เผาไม่สังมันจะเปลี่ยเน่าไปตามถาดของมัน หากพิจารณาไปตามธรรมะอย่างนี้จิตใจคี่โลกอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้จนขอบเขตมันจบพอจิตจะสงบระงับได้พอตาจะแล้วเอาไปไหนได้หากเอาไปได้คนที่เขาเกิดมา ก, ก่อนตายไปก่อนเขาเอาไปหมดเราไม่มีคืออยู่ที่อาศัยที่ดินไหนว่าตอนไหนจังหวัดใด มีคนเคยเกิดเคยตายด้วยกันทางนั้นเคยเจ้าของมาก่อนเราเกิดนับในทวดบางทีขุดลงไปลึกๆอย่งางบันเชียงก็งยังไปเห็นกระดูกกองกันอยู่นะั้นนี่แสดงว่าเขาเคยตายมาก่อนเราเขาเคยเป็นเจ้าของที่ดินแถวนั้นมาก่อนแต่เขเอาไปใช้ไม่ได้เราจึงได้อยู่ได้อาศัยเราจึหงหองหอยเหวี่งหลอกหยงอยู่นี้ก็ทำงานเยวกัน เพื่อจะตัดความโลภความอยากได้ในจิตในใจให้เบาบางไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเหยียดคนให้คนขยันมันเทียนอุทาหรณ์ธรรชาติถึงพมความมันความขยันจะทําการทํางานอะไรให้ตั้งใจทาแต่อย่าให้สิ่งของนั้นมาทัดถมจิตใจจนเกินไปอยากได้จนเกินขอบเกินเขตคืออยากได้ด้วยกาง แสวงหาทางสุดจริตไม่ได้ก็โกงเขาโลกรักขโวยขี่ป่วนเขาหนี่มันเป็นทางผิดศีลธรรมสี่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าจึงไหนที่นี้พิจารณาธรรมเสือสำลาใจอยากได้ขนาดไหนได้มาแล้วก็เอาไปไม่ได้เหมื่อเราทราบเราเขาใจในตัวเขาตัวจริงจั ง, ง, งอย่างนั้นความอยากที่มันเคยอยาก อุ่นีิอุ่นรายอยู่ในใจนอนในหลับอยากอันนั้นอยากอันนี้เป็นเศรษฐีในเมืองไทยยังไม่พอยังอยากเป็นเศรษฐีของโลกนั่นก็เลยในจบในสิ้นให้เลยเป็นทุกขทั้งทั้งสี่ข้ของ ก, รรกินตลาการตายก็ไม่หมดแต่ความอยากนั่นไม่มีเวลาอีกเหมือนกันกับไฟเชื่อมีอมถอยไหมเท่านั้นไฟไม่เคยอิ่มเชื่อมีมากไหมมาก มีความอยากท้องจิตข้องใจเขาทำหนังเดียวกันถ่านจึงให้มีฝั่งมีสามีขอบมีเขตมีธรรมะเป็นเสื่องดับเอาไว้อย่าให้มันเลยขอบเลยเขืเลยเถิดไปถ้าคนมีธรรมะจะต้องเน้นสอนตัวของตัวให้จิตสงบให้จิตรังนะให้จิตรู้แจ้งเข้าใจจริงอย่างนั้นใจจะในโลกไม่หลง pound, <c oughs> จนจนขอบจเขื่อนไป หมู่หมายถึงสู่ภาวนามีจิตใจมั่นคงในอาจในคำที่เจนานเห็นคอยใจคัดเกนในตัวเองอย่างนั้นความโลภอยากได้มานใหญ่ใสสูงก็ค่อยดับไปเบาไปสบายไปความโกรธในจิตในใจก็ทำนองเดียวกันโกรธนี้ในเป็นสิ่งที่ดีเขาตัวใหม่ตัวให้ชั่วให้เสีย คนทั่วไปเขาไม่นิยมชมชอบถ้าไหม่้นลจเสือคนโกรธถึงรักการขอบกันอยู่เมื่อโกรธขึ้นมาวาจาพูดออกมาก็ไม่น่าฟังเป็นวาจาที่เหน่าวาจาที่เหม็นเป็นวาจาที่เป็นพิษหน้าตาที่เคสวยสดงดงามก็เป็นหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นรักการขอบกันอยู่ก็รีบหนีเพราะกลัวความโกรธของเขาก็จะข่าจะตีเอา กามโกรธมันเป็นอย่างนี้ใน ม, มีใครชอบใน ม, มีใครยินดีไมมีใครสรรเสริญคนอื่นโกรธเราเห็นขา่าเราก็ไม่ชอบแต่ไหนตัวข้างเราเองจะไปโกรธให้คนอื่นตัดขึ้นมันมีความสงบมีความสุขไหมขอพี่เจนะหา้นะาเหตุของมันถ้ามันเป็นโทษเป็นทุกข์มันเกิดสาราประโยชน์อะไรให้เรา ว่าเราเป็นคนเป็นผู้ฉลาดทําไมจึงเก็บข อ, องเหน่าของเหม็นของไม่มีคุณค่าราคาของไม่มีสาระประโยชน์ของเป็นโทษเป็นทุกข์เอามาไว้ในจิตในใจของตัวพี่เจนะตัวของตัวอย่างนี้เพื่อแก้ไขขับไล่ความโสดในจิตในใจให้ตกออกไปให้ลูกออกไปเมื่อพี่เจนะมันไม่ ม, มีคุณค่าสาราอย่างนั้นเรา เข้า ใ, ใจชัดเจนในจิตในใจเราปล่อยไปละไปได้แต่เราไม่เห็นในจิตในใจท้องตนเห็นคนอื่นโกรธแล้วไม่ชอบแต่ตัวข้องตัวโกรธไม่เห็นนั่นไม่มีทางที่จะแก้ไขจิตใจข้องตัวให้เยือกเย็นสงบได้เราต้องดูห่วงคนอื่นดูในจิตในใจข้องตัวสิ่งที่ชั่วคนอื่นทำเราตำหน่ แต่เมื่อเราทําเรากับชอบกับยินดีอย่างนี้จะเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ประเสริฐพิเศษในได้พระพุทธเจ้าสอนทำนั้นขันทําได้ทุกสิ่งทุกประการไปขันจึงนำมาสอนคนในใจขันทําไม่ได้ขันร่างนั บ, บ ด, ดับได้ทุกอย่างเรื่อ ง, องทุกทุกขันจึงมาสอนอจึงเกิดสาประโยชน์คนอื่นจะ จำหนิมินทาล า, ากล่าวท่านขนาดไหนท่านทราบในพระไทยทั้งท่านประจิตท้องแล้วรับไหมยยังเอียงไปตามเร่วงจิตเขาจิตจินยินทาหรือไม่ท่านแต่แต่งดูในพระไทยท้องท่านอันนี้ถ้าหากเราไม่ชี้แจงนานไม่มีธรรมะแต่ม้กอยากจะหยิบเอาสวยเอาเขาขูดอะไรสลรเสรื่อมแต่ลืมเหนือลืมตัว ว่าเราหนีดีดีหนีเด่นเขาทำหนีนินช่าว่ากล่าวต่างๆนานาแล้วก็หยิบกดสวยเอาว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาทำหนีอย่างนี้โกรดขึ้นในจิตในใจร่วนแตกเป็นทุกข์เป็นโทษทางนั้นถ้าผู้ที่มีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะสลายเสริมขนาดไหนจิตใจแข้งแกร่งตัวยังคงเส้นคงวาในบ้าบอไปตามลมปากของคนเขาจะยินมชาขนาดไหนห จะเป็นเรื่องปาาของเขาเราเป็นอย่างไรบริสุทธิ์หรือไม่เราจะต้องทราบในจิตในใจของเราเมื่อเราบริสุทธิ์เราไม่ไปทำผิดพูดผิดคิดผิดอย่างที่เขาตำหนินินทาเราเราจะไปโกรธกับเขานั้นสมควรหลืวหรือจะต้องดูต้องรู้ในจิตในใจของตัวพระพุทธเจ้าเคยโดนคนด่าคนว่ายังไงพูด ถูกเป็นภาสิทธิ์ขึ้นนัชกิโลเก อ, อนันติโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจะดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยมีกิเลสตัณหาในใจไม่เคยทำอะไรให้ผิดความจริงแต่ถึงกับนั้นคนที่ไม่ชอบไม่ยินดีในท่านเขาก็ตำหนิเขาก็นินทาด่าไออูดไอลาไอหัวโลนอย่างนั้นอย่างนี้เคยมีเคยคบมา พระพุทธเจ้าตัวของเราก็เป็นคนธรรมดาสามัญจะไปลบหลีกติีตัวที่ไหนจะไม่ให้คนเขานินทาตําหนิจะให้เขาสรรเสริญเยินยอโดยสายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเขานินทามาแต่เท่าว่าเราไม่เป็นไปตามคํานินทาของเขาตามคําตําหนิของเขาเราจะมีทางเสียหายอะไร ให้ตรวจตาพิจารณาดูใจพ้องตัวนี่คือผู้ที่มีธรรมะอย่าไปรับของเน่าของเหม็นของไม่เป็นสาระประโยชน์ถ้าหากว่าตัวฉลาดตัวรู้ของไม่มีคุณค่าสาระเขาเอาอะไรมาให้ก่อเจตกรรมเอาทั้งทั้งที่ของนั้นเป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโลภโกรธหลงกว่าเป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลผู้ ฝึกอบรมภาวนาจึงควรชาระออกจากจิตจากใจของตัวเมื่อเราชาระออกไปได้มากเท่าไหรความเน่าเหม็นของจิตของใจก็เบาบางไปเท่านั้นเราก็ฝึกเราก็สบายเราก็สงบแล้วก็เยือกเย็นเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เน่าที่เหม็นคือความชั่วผลของมันก็คือทุกข์เพราะจิตไม่รู้ตามเป็นจริงจึงไปรับ ของชั่วของเหม็นของเน่าเอามาไว้นี่คือการพิจารณาสำาักใจของตัวผู้พิจรารณาผู้มีธรรมะในใจทันอยู่ในโลกจึงไม่แปรเปลี่ยนไปเลยโลกเหมือนกันกับใบบัวอยู่ในน้ำแต่ถ้าว่าไม่ซึมซาบถึงน้ำจะมาตกข้างในใบบัวเดี๋ยวมันก็หลุดกรโลนออกไปไหลออกไปใบบัวไม่เคย ในน้ำที่ไปถูกไปตองนี่จิตใจของท่านที่มีธรรมะทำลายกิเลสตัณหาได้กว่าทำนองเดียวกันท่านจึงอยู่ในโลกโดยความสุขความสบายในรุ่มหลงวุ่นวายเหมือนพวกเรากิเลสในจิตในใจของมนุษย์มันมีด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วแต่จะน้อยมากต่างกันเท่านั้นบางท่านก็มีความโกรธมากบางท่านก็มีความ โรคมากบางท่านก็มีความหลงมากบางท่านก็มีราคะตัณหามากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเพื่อจะรักษาโรคประเภพนีถ้าหากนำธรรมะพระพุทธเจ้ามารักษาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาจริงจังโรค สี่มีอยู่ในจิตในใจคือก <c oughs> ิเลสตัณหามานัสิติต่างๆค่อยจะสะอาดไปตกไปหลุดไปการพิจนาธรรมะการฝึกจิตฝึกใจอบรมให้เป็นธรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนผู้ชอบสงบผู้ชอบความสุขผู้ชอบความเย็นใจสบายใจจะต้องการทาบาเพ็ญให้เห็นให้เป็นให้รู้ในตัวของตัว ไม่อย่างนั้นจะแกะขนาดไหนใจมันก็ยังติดยังข้องยังลุ่มยังหลงยังโสดยังเคินในโลกเลื่อยไปเพราะม่มีธรรมะในจิตในใจของตัวถ้ามีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นถึงสิ่งอื่นมันจะมีอยู่ก็รู้ก็เข้าใจแต่ไม่ติดไม่ข้องในสิ่งเหลนั้ น, น, นมีธรรมะมีปัญญาที่จะแก้ไขใจของตัว ให้สุขให้สบายให้สะอาดหายจากความวุ่นวายก่อกวรได้นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมนุษย์ทั่วไปให้ฝึกอบรมจิตใจของตัวจิตใจชั่วจิตใจเสียมันหมดคุณค่าหมดสาระสมบัติเข้าของทายนอกทางโลกจะมีมากไม่ขนาดไหนถ้าหากใจไม่ปกติใจ วิปริตรักษาไม่ได้ส่วนสมบัติภายในคือสติปัญญามันก็หมดไปหายไปนี่คือคนที่จิตวิปริตจิตไม่ฝึกไม่อบรมธรรมะคนที่มีจิตดีถึงหลางกายจะไม่สวยสดงดงามถึงหน้าตาจะไม่ยินแยมแจม่มใสแต่ จ, จิตใจเยือกเย็นคนเห็นเบื้องต้นก็ไม่ชอบพอ เพราะหน้าตาไม่สวยงามให้แต่เมื่อคบค้าสมาคมนานเข้ารู้จักนิสัยว่ามีจิตใจเยือกเย็นสื่อสัตว์สุจริตมันก็เกิดคุณค่ามีคนนิยมเชื่อถืออยากได้เพราะใครไปเกี่ยวข้องก็เกิดความสุขความสบายในจิตในใจนี่คือคุณค่าของธรรมะทางจิตทางใจถึงทุกคนฝึกอบรมได้ เพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้น้อมไปได้ในใจมันเหลือิีัยความจริงแล้วถ้าหากเราจับผิดในจิตในใจของเราเราศึกษาจิตใจของเราเราจะฉลาดเราจะรอบรู้จะเกิดธรรมะธรรมโมให้จิตใจนี้นับว่าเป็นสิ่งที่พลิกแพ่งง่ายที่สุดหลงไหลง่ายยึดถือง่าย าหากเราสังเกตถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่เห็นความเป็ียนอย่างนั้นทั้งๆ ส, สิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ในตัวของเราเราก็โกรธได้รักได้ยินดีได้เสียใจได้เพราะเราไม่ตรวจตาพิจารนาภายในถ้าเราตรวจตาพิจารณาภายในอย่างที่อธิบายมาเขาสรรเสริญเยนยอเราดีอย่างเขาลมปากเพราะว่าหรือไม่ ถ้าเราไม่ดีเราก็ไม่ควรไปยินดีควรตั้งหน้าตั้งตาฝึกรักษาให้สมกับคำที่เขาชมเราว่าเรารู้เราฉลาดเรามีสติเรามีปัญญาเราเป็นคนที่มีธรรมะถ้าเราไม่ฝึกไม่อบรมตัวของตัวอย่างนั้นเขาสรร เ, เสริญแล้วก็ลืมหลงตัวไปว่าดีว่าเด่นอย่างนั้น มันเกิดทุกข์เกิดโทษในตัวภายหลังเพราะมันไม่มีอะไรเพรอเขาตําหนิเนรทาให้เราก็จะเสียใจอีกเขาตาหนิเนรทาถ้าหากมันไม่มีมูลเหตุเราก็ไม่ควรจะไปเสียใจควรจะสอนตัวว่ามันชั่วมันเสียอย่างเขาว่าเราควรจะแก้สาเหตุของมันเขาตาหนิเราไม่ดีอย่างนั้นเราอย่าไปทําอีกพูดอีก ในฟิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไปทําอีกพูดอีกพกอดเจตานี้อีกนี่เป็นทางที่จะแก้ไขลมปากคลายนอกหากเรามีปัญญา <c oughs> ไม่ว่าทางสรรเสริญหรือนินทาถ้าหากเรามีปัญญานํามาสอนจิตมาทีนิพพยานามันก็เป็นธรรมะถ้าหากเราไม่มีปัญญาตะคุบเรื่อยไปเ้าว่าอย่างไรกตะคุบอย่างนั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้มีแต่จะเกิดความดีใจเสียใจตามธรรม สันลเสริญนินทาเท่านั้นผลที่สุดเลยไม่ตั้งมั่นเพราะคนทั่วโลกเขาจะยินดีเลื่อมใส่เต็มใจมาสันละเสริญเหล่านั้นมันเป็นไปไม่ได้คนทั่วโลกเขาจะนินทาว่าทุกข์ว่าโทษต่างๆแกเรามันก็เป็นไปไม่ได้พุทธิมันชอบมันกับสันลเสริญพุทธิมันไม่ชอบมันก็บนินทามันเป็นธรรมดาเรื่องลมปากเราก็เป็นสันโลก คนหนึ่งตัวนหนึ่งมันจะต้องพบต้องเห็นเมื่อเกิดมาในโลกเราต้องตั้งมัน่นพะี่เจ้านะในธรรมะส่วนใดที่ควรละส่วนใดที่ควรบำเพ็ญให้เห็นในจิตในใจของตนว่าสิ่งนี้ควรละรีบละรีบถอนออกไปเพราะเก็บเอาไว้เป็นพิษเป็นภยัยเกิดทุกข์เกิดโทษ สิ่งไดควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญเรื่อยไปให้จิตใจเหลื่อมสให้จิตใจเยือกเย็นให้จิตใจเห็นแจ้งในสิ่งเหล่ น, นั้นนี่คือการฝึกธรรมะอบรมธรรมะแนะนธรรมะให้แก่ตัวของตัวถ้าหากไม่ฝึกไม่รักษาไม่เอาธรรมะมาประดับคนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันก็เป็น สัตว์นรกเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายอยู่ดีๆไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับสัตว์เหล่านั้นพอราคะตัณหามานาทิฐิทุกอย่างสัตว์อื่นมันก็มีได้เป็นไปได้แต่ด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของธรรมะที่ฝึกอบรมรักษาเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ดีวิเศษยิ่งกว่าสัตว์แต่นั้นทุกคน จึงควรหาธรรมะมาประดับกายวายจาของตัวผู้ที่มีธรรมะอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ไปสถานที่ใ ด, ท, ท, ดทำความสุขความสบายความเยอนเย็นให้ไม่เป็นภัยอันตรายนี่คือคนมีธรรมะเป็นสุขขโตไปดีมาดีอยู่ดีกินดีนอนดีนั่งดี เพาะจิตของท่านดีจิตของท่านมีธรรมะยอมเสียสละเรื่องชีธีมานะกิเหลียตัญหาให้หมดออกไปตกออกไปจากใจพระพุทธเจ้าสาวกท่านดีวิเศษได้เพราะท่านฝึกอบรมจิตใจของท่านเรื่องร่างกายเหมือนกันกับพวกเราโรคภัยไข้หนาวมีไม่อย่างนั้นท่านก่อเมปรินิปพาน ความแจกความเจ็บความตายมีเหมือนกันแต่จิตใจของท่านไม่เคยมีปา่าช้าไม่เคยตายจะไปเกิดพบได้ชาติได้อีกก่อความจริงอยู่ในจิตมีอะไรจีตเป็นพิษเป็นภัยที่จะไปก่อพบก่อชาติอีกก่อทราบนี่คือการปฏิบัติอัดทำจิตพระพุทธเจ้าสอนเห็นไปาจากในจิตในใจของตนในผู้ประพฤติปฏิบัติ แไปจากอย่างนั้นท่านจึงไม่หลงไหลฝ่ายฝันไม่บ้าไม่บอเหมือนพวกเราเห็นอะไรก็อชอบจิตจิตใจใง่ายๆเห็นอะไรก็โกรธง่ายๆทั้งที่ไม่พิจรารณากว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างไรในสิ่งนั้นนันนี่คือคนขาดธรรมะขาดสติขาดปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ไขใจคลองตัวให้เยือกเย็นให้สุขให้สงบได้เพราะขาดธรรมะ ถ้ามีธรรมะก็เหมือนกันกับเรามีอาวุธไปสถานที่ใดเมื่อมีอาวุธอยู่ในตัวแล้วไม่ค่อยกลัวภัยอันตรายเพราะอาวุธเรามีถึงมีอุปสรรคมีศัตรู ม, ตรตมาเราก็อาศัยอาวุธเราจะต่อสู้นี่ไม่มีอาวุธอะไรไม่ว่าตั้งแต่เสือเพียงสัตว์เล็กๆมันกล่กลัวอย่างเราไม่มีมุง้งไปอยู่ในสถานที่ยงชุม ล้ว ก, กลัวไม่กล้าที่จะไปอยู่ถ้าเรามีมุ้งดีๆล่ะมันมาเถอะอยู่เรากางมุ้งกั้นเอาไว้มันก็เข้าไม่ได้นี่คนมีธรรมะก็ทำนองเดียวกันถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะมีอยู่ในโลกแต่ท่านก็มีเครื่องรักษาจิตใจของท่านไม่ให้หวันไหวไม่ให้เดือดร้อนวุ่นวายไปตามเรื่องอนั้นั้นนี่คือคนมีธรรมะในจิตในใจ ธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยฝึกเพราะอาศัยอบรมเพราะอาศัยการทำบาเพ็ญมันจริงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาลอยๆพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีมาหรือทาทุกการกิริยาเสื่อตัดสรุก็คือสร้างเหตุเพื่อจะให้เกิดผลเราทุกคนถ้าทำตามโอวาทที่ท่านสอนเอาไว้ มันง่ายมันสบายเพราะพระพุทธเจา้าไม่มีครูมีอาจารย์สอนท่านคนคิดโดยตัวของท่านเองจึงเกิดธรรมะขึ้นนี่เราท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเป็นโทษนะอย่าไปทําอย่าไปพูดอย่าไปคิดเมื่อพูดเมื่อทําเมื่อคิดไปสียงนั้นจะเป็นใครคือนําทุกนําโทษมาให้ท่านบอกแล้วเรา รู้จักว่าอันนั้นมันชั่วมันเสียมันเกิดทุกเกิดโทษโกเว้นอย่าไปกระทําอย่าไปบําเพ็ญสิ่งนั้นเกิดสุขเกิดประโยชน์คนใดไปทำไปพูดไปคิดคนนั้นจะมีความสุขความเจริญถึงไม่ปรารถนาทําสรรเสริญเยินยอบัณฑิตทั่วไปเขาก็สรรเสริญเยินยอให้เราก็รีบกระทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้บําเพ็ญ ละสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทำถึงจิตใจชอบจะยินดีก็ให้ละไปเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพยายามภายในเข้าใจชัดเจนจริงใดที่เป็นทุกข์เป็นโทษเข้าใจจริงจังจึงมาสั่งสอนมนุษย์ไม่ใช่ท่านมืด บ, บอดอย่างพวกเรา แต่ท่านทางทางหรือทำถนนให้เราเดินตามถนนที่ท่านทาให้มันสะดวกสบายถ้าหากเราสอนเราประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเ จ, จา้าแนะให้มันสบายนี่พระพุทธเ จ, จา้าท่านบุกเ บ, บิกเบื้องตน้นมันลําบากเหมือนกับตัดถนนมันลําบากกว่าจะเป็นถนนให้แต่คนมา <c oughs> ท่องเที่ยวมันสบายเพรเป็นถนนแล้ว มันง่ายเราก็ทำนองเดียวกันสูด ถ, ถึงสาวกมีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านเท่านั้นสิ่งใดที่ท่านสอนว่าเป็นทิดเป็นภยัยก็รีกไปสิ่งใดที่ท่านสอนให้ทำบาเพ็ญก็ทำตามมันง่ายอย่าไปถือว่ามันเหลือวิสัยสิ่งอื่นมันคิดได้ลงได้มีโอกาสมีเวลา แต่จะมาหลับตาภาวนาสงวรวมจิตให้อยู่ในตัวละวางอารมณ์สัญญาต่างๆที่เคยครบกวนจิตใจมันถือว่าไม่มีโอกาสเ้ลาวันนี้เพียบเทียเรื้อเกิน ร, ร้อนรื้อเกินหนาวรื้อเกินเหนื่อยเรื้อเกินหิวเรื้อเกินทําไม่ได้ดึกแล้วเช้าอยู่มันไปแบบนั้นนี่คือเรื่องมารที่มากระซิบจิตใจของพวกเราท่าน ไม่ให้มีโอกาสเวลาจะภาวนาละกิเลสแต่ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเล่นเที่ยวคุยคุยกันเรื่องนอกๆมีโอกาสเวลาแต่จะมาภาวนามันหักมันห้ามเอาไว้หนี่ใจผิดมีกิเลสหนาเป็นอย่างนั้นทุกท่านทุกคนไปแต่ก็ต้องฝ่าฟืนอย่าไปเชื่อมันโอกาสเวลามันมีหาเรา จะทำเพราะการภาวนาไม่ใช่จะนั่งหลับตาเท่านั้นจะทําได้เดินไปก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ทําการงานอันอื่นก็ได้ภาวนาดูจิต ด, ดูใจของตัวมันทําไมจะทําไม่ได้ถ้ า, าเราเลื่อมใสเรายินดีเราเต็มใจเราทํางานอันอื่นยังคิดยังฟุงในรูปในเสียงในเรื่องต่างๆได้ถ้ า, าเรานํา มาภาวนารูปเสียงที่เราลูกหลวงสิทธิ์ข้องว่ามันสวยมันงามหนาขนัดยินดีเรามาพิจัยนะหลางกายอันนี้มันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโผล่ โ, โคบกกระปงจริงๆ จ, จัง จ, งจงไม่มีอะไรเป็นของดีของดีเศษไม่มีอะไรที่จะหอมหวนมีแต่ของเนงา่าของเหม็นของปฏิกูลข่าขอนทอนสบายเอามาปกคลุมเข้าถึงจริงนั้นจะสวยงามขนาดไหน นานวันเข้ามันก่อเศร้าก่ามองก็มีกลิ่นขึ้นมันไหลออกมาจากตาจากหูจากจมูกจากปากจากทวารไหนก่อตามก็รหวนแต่ข้องเนา่าข้องเหม็นค้องปฏิกูลทั้งนั้นก่อนอันนี้เป็นก่อนปฏิกูลเป็นของปฏิกูลก่อนอันนี้เป็นก่อนอันนี้จางก่อนอันนี้เป็นก่อนทุกก่อนโทษเราพิจารณาเพื่อจะแก้ไขสัญญาอารมณ์ที่กว่ากาหนัดยินดี นาจูน้ากวดอย่างนั้นอย่างนี้ทางมาพิจารณาในธรรมะของพระพุทธเจ้าตามเป็นจริงมันกดขอดถอนได้คลายกำหนัดได้เพราะมันเห็นเป็นจริงอย่างนั้นความจริงของมันเป็นอย่างไรท<ม>างคนมีปัญญามีธรรมะมันจะเห็นจริงอย่างนั้นมันไม่หลงไหลใฝ่ฝันไม่ได้บ้าได้บอไปตามสมมุติของโลกเพราะมันทวนสมมุติทวนกระแสธรรมะโลกเขาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้นิยมแต่ เรื่องของธรรมะจริงจังมันทวนกะระแสมันไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นมันดีมันพิเศษถ้าพิจารณาตามธรรมะไม่อย่างนั้นจิตไม่เบื่อเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องโลกเรื่องสองสารจิตที่จะเบื่อได้ก็เพราะอาศัยพิจารณาทวนกะระแสเขาว่ า, า, วาสวยงามความจริงมันเป็นอย่างไรมันเป็นอสุภาอสุพังเขาว่าของนั้นยัง่งยืน แต่ทางธรรมะถือว่าเป็นอนิจจังเพราะว่าของนั้นเป็นของตนของตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาแต่ธรรมะถันถือว่าเป็นอนัตตาคือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลถึงจะลุ่มหลงขนาดไหนจึงเหล่านั้นมันก็ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสอนทวนกระแสะอย่างนี้เราฝูฝึกภาวนาสอพยายาม ทวนกระแสะของใจอย่าปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ของกิเลสตัณหาเมื่อเราทวนกระแสะได้เท่าไร่จิตใจก็ยิ่งจะห่างไกลจากความทุกข์จากความลุ่มหลงจากความเศร้ามองจากความขัดข้องเท่านั้นท่านจึงให้ฝึกให้ภาวนามันฝึกได้ถ้ามันมีสติสังขารที่มันตรุงขึ้นอยู่ในจิตในใจมันทราบ ทุกขณะทุกเวลาถ้ามันมีสติถ้ามันมีมีสติมันปล่อยลอยลมไปหนังภาวานาก็ทำท่าในสาวมันไปคิดไปนึกเรื่องอะไร